เานัสภาคณิย496สหาชาติปัจจัยกับชานาปัจจัยมีเจดวาระอัญญมัญญปัจจัยละถึงมีสวาระเนสยปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีเจดวาระมัคคะปัจจัยมีเจดวาระ สัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระสามัญญคตนา497ปัจจัยาคือชานะสหชาตะนิสยะอธิและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจใจหกคือชานะสหชาตะอัะญญชาญานิสยะอธิ และอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเจ็คือชาณะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะสามปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยหคือชาณนะสหชาตะนิสยาวิปยุตต์อัตถิและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสี่ปัจจัยหคือชาณะสหชาตะนิสยะวิปากะอัตถิ และอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจเจ็ดคือชาณะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจแปดคือชาณะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะซัมปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจเจ็ดคือชาณะสหชาตะนิสยะวิปากะวิปยุตตะ อัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8ดคือชานะสหชาตะอัญญามัญญานิสยะวิปากะวิปยุตตะอาธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะหสาชอินทริยคตนา498ปัจจัยหกคือชานะสหชาตะนิสยะอินทริยะอาตถิ และอวิคตะมีเจวาระปัจจัยเจคือชานะสหชาตะอะัญญมัญญะนิสยะอินทริยะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะอะัญญามัญญะนิสยะอินทริยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจ thinking, ัย7คือชานะสหชาตะนิสยะอินทริยะ วิปยุตตาอาทิและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสปัจจัย7คือชาณะสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะอาติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8ดคือชาณะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยเกคือชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะ อินทริยะวิปยุตตะอาติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าสมัคระคตานาสี่ร้ยเก้าสิบเก้าปัจจัยหกคือชานะสหาชาตะนิสยะมาคาัคคะอาติและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัยเจ็ดคือชานะสหาชาต ะ, น, ะ, น, ะนิสยะมาคาัคคะอาทิ และอวิคตะมีสามวาระปัจจัยแปดคือชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะมัคคะสำปยุติอาทิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเจดคือชานะสหชาตะนิสยะมัคคะวิปยุตะอัติและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสี่ปัจจัยเจ็ดคือชานะสหชาตะนิจยะวิปากะ มัคคะอาติและอวิคตะมีหน ah! ึ่งวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะมัคคะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9้าคือชานะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะมัคคะสำปรยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือชานะ สหชาตะนิจยะวิปากะมัคคะวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจเก้คือชานะสหชาตะอัญญามัญญะนิจยะวิปากะมัคคะวิปยุตตาอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะหสอินทริยมัคคะขตนาห้าร้อยปัจใจเจ็คือชานะ สหชาตะนิสยะอินทริยะมัคคะอาทิและอวิคตะมีเจดวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทริยะ ม, ata, มัคคะอาทิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9คือชานะสหชาตา<ใ>นิญมัญญะนิสยะอินทริยะมัคค <ป accomplishments, S 2> ะสัมปยุตตะอาถิและ ى, อวิคตะมีสามวาระ ปัจจัยแปดคือชานะสหชาตะนิสยะอินทริยะมัคคะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสี่ปัจจัยแปดคือชานะสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะมัคคะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเก้าคือชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะ อินทริยะมัคคะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจสิบคือชานะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะอัิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัก้าคือชานะสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะมัคคะวิปยุตตะอัติ และอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคือชาณะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอินเทริยะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะหชาณะมูลกะในจบมัคคะสภาคขนะยห้าร้อหนึ่งเหตุ ป, ปัจจัยกับมัคคะปัจจัยมีสวาระ ทัิปติปัจใจและถึงมีเจ็ดวาระสหชาติปัจจัยมีเจดวาระอัญญามัญญาปัจจัยมีสามวาระนิจญาปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับมัคปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจใจและถึงมีสามวาระ อธิปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระมัคคะสามัญญาคตนาห้าร้อยสองปัจจัยาคือมัคคะสหชาตะนิสยะอธิและอวิคตะมีเจดวาระปัจเจหกคือมัคคะสหชาตะานญยมัญญนิยะอธิและอวิคตะมีสามวาระปัจเจเจ็คือมัคคะสหชาตานญญมัญญา นิสยะสัมปยุตตะอาทิและอวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคือมรรคะสหชาตะนิสยะวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสปัจใจหกคือมรรคะสหชาตะนิสยะวิปากะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจเจ็คือมรรคะสหชาตะัญญามัญญะนิสยะ วิปากะอาทิและอวิคตะมีหน umm ึ่งวาระปัจจัย8ดคือมัคคะชหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะสัมปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเจคือมัคคะชหชาตะนิสยะวิปากะวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือมัคคะชหชาตะอัญญามัญญะ นิจยะวิปากะวิปยุตตะอาตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะหาาะะ้อินทริยกฆตนา5้าปัจใจหกคือมัคคะสหชาตะนิจยะอินทริยะอาตถิและอวิคตะมีเจวาระปัจจัย7คือบังคะสหาชาตะอัญญมัญญะนิจยะอินทริยะอาทิ และอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือมรรคะสหาชาตะอัญญามัญญะนิสยะอินทริยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเจคือมรรคะสหาชาตะนิสยะอินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสปัจจัยเจคือมรรคสหาชาตะนิสยะ วิปากะอินทริยะอัถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยแปดคือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะอัถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเก้าคือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยแปดคือมัคคะสหาชาตะนิจยะวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเก้าคือมคัคคะสหาชาตะานญยมัญญะนิจยะวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าสัจจณะตนาห้าร้อยสี่ ปัจจัย6คือมัคคะสหชาตะนิสยาชานะอาทิและอวิคตะมีเจดวาระปัจจัย7คือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะชานะอาทิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือมัคคะสหชาตะัญญามัญญะนิสยะชานะสัมปยุตตะอาทิและอวิคตะมีสามวาระ ปัจจัยเจดคือมรรคสหชาตะนิสยะชาณะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสี่ปัจจัยเจดคือมรรคสหชาตะนิสยะวิปากะชาณะอาติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือมรรคสหชาตะอัญญาัญญะนิสยะวิปากะชาณะอาทิ และอวิคตะมี pues. หนึ่งวาระปัจจัย9คือมัรคะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะชานะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือมัรคะสหชาตะนิสยะวิปากะชานะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือมัรคะสหชาตะอัญญามัญญะ นิสยะวิปากะชาณนะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะหาาะะ้อินทริยชาณนะครตนาห้า้อห้าปัจเจกเพือมัคคะสหชาตะนิสยะอินทริยาชาณะอัติและอวิคตะมีเจดวาระปัจจัย8คือมัคคะสหาชาตะอัญญามัญญะนิสยะ อินทริยะชานะอธิและอวิคตามีสามวาระปัจจัย9้าคือมักคะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะอินทริยะชานะสัมปยุตตะอาทิและอวิคตามีสามวาระปัจจัย8คือมักคะสหชาตะนิสยะอินทริยะชานะวิปยุตตะอาทิและอวิคตามีสามวาระอวิปากะสี่ ปัจัยแดคือมรรคสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะชานะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเก้าคือมรรคสหชาตะอัญญามัญญะนิสยาวิปากะอินทริยะชานะอัตถิและอวนะิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคือมรรคสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะชานะ สจำปยุตตาอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือมัคคะสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะชานะวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจเจศิบคือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะชานะวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ สวิปากะห้าสาธิติอินทริยคตนาห้าร้อยหกปัจใจเจ็ดคือมัคคะอธิปฏิสหชาตะนิสยะอินทริยะอถิและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจใจเก้าคือมัคคะอธิปติสหชาตอัญญมัญญะนิสยะอินทริยสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมีสามวาระ ปัจจัย8คือมรร ค, คอธิปติสหชาตะนิสยะอินทริยะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะ3ปัจจัย8คือมรร ค, คอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10บคือมรร ค, คอธิปติสหชาตะอัญชญญะนิสยะ วิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจเจก้าคือมัคคะอาธิปติสหาชาตะนิสยะวิปากะอินทรียะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะสามเหตุอินทรีย์พตนาห้า้อยเจดปัจเจกเจคือมัคคะเหตุสหาชาตะนิสยะ อินทริยะอัถิและอวิคตะมีสี่วาระปัจจัยแปดคือมรรคเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทริยะอัถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัยเกคือมรรคเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทริยะสัมปยุตตะอัถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย8ดคือมรรคเหตุ สหชาตะนิสยะอินทริยะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระอวิปากะสปัจจัย8ดคือมัคคะเหตุสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9้าคือมัคคะเหตุสหชาตานญญมัญญ ะ, น, ะนิสยะวิปากะอินทริยะอัตติ และอวิคตามีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคือมัรคเหตุสหชาตะอัญญามัญญานิสยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตามีหนึ่งวาระปัจจัยเก้าคือมัรคเหตุสหชาตะนิสยะวิะ ป, Mao, Dad, ปากะอินทริยะวิปยุตตะอัตถิ <rakt> <Santa> และอวิคตามีห <technical> นึ่งวาระปัจจัยสิบคือมัรค เหตุสหาชาติอัญญามัญญานิจยะวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าเหตตาทิปติอินทรียะคตนาห้า้อยแปดปัจจัยแปดคือมัคคะเหตุอธิปติสหาชาตะนิจยะอินทริยะอัตถิและอวิคตะมีสี่วาระ ปัจจัยสิบคือมรรคเหตุอธิปติสหชาตะอัญญามัญญะนิจยะอินทริยะสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9้าคือมรรคเหตุอธิปติสหชาตะนิจยะอินทริยะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมีสองวาระอวิปปะสปัจจัย9คือมรรคเหตุ อธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบเอ็คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะนิญามัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตาอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริย วิปยุตตะอธิและอวิขตะมีหนึ่งวาระสวิปากะสามมัคคะมูลกะในจกสัมยุตตะสภาค้างในห้ายเก้เหตุ ป, ปัจจัยกับสัมยุตตะปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยละถึงมีสามวาระสหาชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระ นิสยปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหาราปัจจัยมีสามวาระอินทริยะปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระแจ่มประยุตตะครตนาห้าสิบ ปัจเจยหกคือสัมปยุตตะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะอัติและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะหนึ่งปัจจัยเจ็ดคือสัมปยุตตะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะหนึ่งสัมปยุตตะมูลกะในจบวิปยุตตาสภาคณัยห้าร้ยสิบเอด เทสุปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอรามณปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจใจมีสี่วาระสหชาตาปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตาปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตาปัจจัยมีสามวาระ กรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตะนิจกะคตนาห้า้อสิบสอง ปัจจัยสาคือวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีห้าวาระปัจจัยสี่คือวิปยุตตานิสยะอัติและอวิคตะมีห้าวาระปัจจัยห้าคือวิปยุตตาอธิปฏินิสยะอัติและอวิคตะมีห้าวาระปัจจัยห้าคือวิปยุตตานิสยะอินทริยะอัติและอวิคตะมีสามวาระปะกินนกะฆตนาห้า้อยสิบสาม ปัจจัยสี่คือวิปยุตตะปัจฉาชาตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยหคือวิปยุตตะนิสยะบุเรชาตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยหคือวิปยุตตะอารามณะนิสยะบุเรชาตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือวิปยุตตาอารามณะอธิปตินิสยะอุปานิสยะบุเรชาตะ อัิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจหกคือวิปยุตตะนิสยะปุเรชาตะอินทริยะอัถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสหชาตะคตานา5้าปัจจัยาคือวิปยุตตะสหชาตะนิสยะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคือวิปยุตตะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะอัติ และอวิคตะมีหนึ่งวาระอวิปากะสองปัจัยหคือวิปยุตตะสหชาตะนิสยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจัยเจ็คือวิปยุตตะสหชาตะอัญญามัญะนิสยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะสองวิปยุตตะมูลกะในจก อธิสภาค้างในห้าร้อยสิบห้าเหตุปัจจัยกับอธิปัจจัยมีเจดวาระอรารมาณปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีแปดวาระสหชาต ป, ปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาต ป, ปัจจัยมีสามวาระ ปัจชาชาตะปัจใจมีสามวาระกรรมปัจใจมีเจดวาระวิปากปัจใจมีหนึ่งวาระอาหาระปัจใจมีเจดวาระอินทริยปัจใจมีเจดวาระชานะปัจใจมีเจดวาระมัคคะปัจใจมีเจดวาระสัมปยุตตปัจใจมีสามวาระวิปยุตตปัจใจมีห้าวาระอวิคตะปัจใจมี 13, บสามวาระ อธิมิจกกะฆตนาห้าร้อยสิบหปัจจสองคืออธิและอวิคตะมีสิบสามวาระปัจจัย3คืออธินิสยะและอวิคตะมีสิบสามวาระปัจจัย3คืออธิอธิปติและอวิคตะมีแปดวาระปัจจสี่คืออธิอธิปตินิสยะและอวิคตะมีแปดวาระปัจจัย3คืออธิอาหาระและอวิคตะมีเจดวาระ ปัจจัย3คืออัติอินทริยะและอวิคตะมีเจวาระปัจจัย4คืออัตินิสยะอินทริยะและอวิคตะมีเจดวาระปัจจัยสคืออัติวิปยุตตะและอวิคตะมีห้าวาระปัจจัย4ี่คืออัตินิสยะวิปยุตตะและอวิคตะมีห้าวาระปัจจัย5คืออัติอธิปตินิสยะวิปยุตตะและอวิคตะมีสวาระ ปัจจัย5คืออัตินิสยะอินทริยาวิปยุตตะและอวิคตะมีสามวาระปัจินนกะคัตนา5้าปัจจัย4คืออัติปัจชาชาตะวิปยุตตะและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยสคืออัติปุเรชาตะและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย5คืออัตินิสยาปุเรชาตะวิปยุตตะและอวิคตะมีสามวาระ ปัจใจสี่คืออัติอารามณะบุเรชาตะและอวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคืออัติอารามณะนิสยาบุเรชาตะวิปยุตตะและอวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคืออัติอารามณะอธิปติอุปนิสยาบุเรชาตะและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจแปดคืออัติอารามณะอธิปตินิสยะอุปนิสยาบุเรชาตะ วิปย e ata, ปุตต ะ, ตต 4, ออาาตะและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจัยหคืออัตินิสยะปุเรชาตะอินทริยะวิปยุตตะและอวิคตะมีหนึ่งวาระสหชาติฆตนาห้าอยสิบปปัจจสี่คืออัติสหชาตะนิสยะและอวิคตะามีก้าวาระปัจจัย5คืออัติสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะและอวิคตะมีสามวาระ ปัจใจหกคืออัติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะสัมปยุตตะและอวิคตะมีสามวาระปัจใจห้าคืออัติสหชาตะนิสยะวิปยุตตะและอวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคืออัติสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปยุตตะและอวิคตะมีหนึ่งวาระอวิปากะห้า ปัจจัย5คืออัติสหชาตะนิสยะวิปากะและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย6คืออัติสหชาตานญญมัญญานิสยะวิปากะและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออัติสหชาตะอนญยมัญญะนิสยะวิปากะสัมปยุตตะและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยหคืออัติสหชาตะนิสยะวิปากะ วิปยุตตะและอวิคตะามีหนึ่งวาระปัจใจเจดคืออัติสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะวิปากะวิปยุตตะและอวิคตะามีหนึ่งวาระชวิปากะห้าอัติมูลกะในจบนัติสภาขไนห้าร้อยสิบอันันตระปัจใจกับนัติปัจใจมีเจดวาระ สมณันตร ะ, ะปัจจัยและถึงมีเจดวาระอุปนิสัยปัจจัยมีเจดวาระาเสรวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระ <1> 1> นัตถกัตนาห้ <ant ara> าอยี่สิบปัจจัยห้าคือนัตถอนันตรสมนันตรอุปนิสัยและวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัยหคือนัตถอนันตรสมนันตะนะะะระ อุปาณิสยอาอเสวณนะและวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคือนัตถิอนันตระสมานันตระอุปาณิสยากรร ม, มะและวิคตะมีหนึ่งวาระนัตถิมูลกะในจบวิคตะสภาคในห้ายยี่สิบเอ็ดอนันตระปัจจัยกับวิคตะปัจจัยมีเจดวาระสมานันตระปัจใจและถึงมีเจดวาระ ปานิสยปัจจัยมีเจดวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตตาคตนาห้ายี่สองปัจใจห้าคือวิคตะอนันตระสมานันตระปุปนิสยะและนัตถิมีเจ็ดวาระปัจใจหกคือวิคตะอนันตระสมานันตระปุปปนิสยะอายเสวนะ และนัตถิมีสามวาระปัจจัยโหเควิคตะอนันตระสมานันตระอุปาณิสยะกรรมะและนัตถิมีหนึ่งวาระวิคตะมูลกะในจบอวิคตะสภาในห้าอยยี่สาเหตุ ป, ปัจจัยกับอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอารามะนปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีแปดวาระ สหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีเจดวาระอินทริยปัจจัยมีเจดวาระ ชานะปัจจัยมีเจวาระมัคคะปัจจัยมีเจวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระวิปยุตตะปัจจัยมีหวาระอธิปัจจัยมี13าวาระอวิคตะมิสกตะฆตนาห้ายยีปัจใจสองคืออวิคตะและอธิมี13าวาระปัจจัย3คืออวิคตะนิจยะและอธิมีสิบาวาระ ปัจจัย3คืออวิคตาอธิปติและอัติมี8ดวาระปัจจัย4คืออวิคตาอธิปตินิสยะและอัติมี8ดวาระปัจจัย3คืออวิคตาอาหาระและอัติมี7ดวาระปัจจัยสคืออวิคตาอินทริยะและอัติมี7ดวาระปัจจัย4ี่คืออวิคตานิสยะอินทริยะและอัติมี7ดวาระ ปัจใจสามคืออวิคตะวิปยุตตะและอัตติมีห้าวาระปัจใจสี่คืออวิคตะนิสยะวิปยุตตะและอัตติมีห้าวาระปัจจัยาคืออวิคตะอธิปตินิสยะวิปยุตตะและอัตติมีสี่วาระปัจใจห้าคืออวิคตะนิสยะอินทริยะวิปยุตตะและอัตติมีสามวาระปักยินกะฆาตนาห้ารอยี่สิห้า ปัจใจสี่คืออวิคตะปัจฉาชาตะวิปยุตตะและอัตถิมีสามวาระปัจใจสามคืออวิคตะปุเรชาตะและอัตติมีสามวาระปัจจัยาคืออวิคตะนิจยะปุเรชาตะวิปยุตตะและอัตติมีสามวาระปัจใจสี่คืออวิคตะอารมณะปุเรชาตะและอัตติมีสามวาระปัจใจหกคืออวิคตะอารมณะนิจยะปุเรชาตะ วิปยุตตะและอัตติมีสาวาระปัจจัย6คืออวิคตะอารมณะอธิปติอุปนิสยาปุเรชาตะและอัตติมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออวิคตะอารมณะอธิปตินิสยะอุปนิสยาปุเรชาตะวิปยุตตะและอัตติมีหนึ่งวาระปัจจัย6คืออวิคตะนิสยะปุเรชาตะอินทริยะวิปยุตตะและอัตติมีหนึ่งวาระ สหชาติฆตนาห้ายี่สิหปัจใจสี่คืออวิคตะสหชาตะนิย hey UM, สยะและอัตติมีเ้าวาระปัจจัยาคืออวิคตะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะและอัตติมีสามวาระปัจใจหกคืออวิคตะสหชาตะอัญญมัญะนิสยะสัมปยุตตะและอัตติมีสามวาระปัจจัยาคืออวิคตะสหชาตะนิสยะ วิปยุตตะและอาติมีสามวาระปัจใจหกคืออวิคตะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปยุตตาและอาติมีหนึ่งวาระอวิปากะหปัจจัยาคืออวิคตะสหชาตะนิสยะวิปากะและอาติมีหนึ่งวาระปัจใจหกคืออวิคตะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะและอัติมีหนึ่งวาระ ปัจใจเจตคืออวิคตะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะสัมปยุตตะและอัติมีหนึ่งวาระปัจใจหกคืออวิคตะสหชาตะนิสยะวิปากะวิปยุตตะและอัติมีหนึ่งวาระปัจใจเจตค <talk themselves> <p> ืออวิคตะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะวิปยุตตะและอัติมีหนึ่งวาระสวิปากะห้า อวิคตะมูลกะในจบ ก, การนับอนุโลมแห่งปัญหาวาระจบสองปัจจนียุทธาระห้าร้อยยี่สิบเจ็ด สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารมณปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัย และกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิโดยสหชาตปัจจัย528สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารมณปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิตโดยอารมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยอุปาณิชยปัจจัยปัจฉาชาตาปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอคุศลและที่เป็นอัพญากฤตโดยสหชาตตปัจจัยห้ายยีสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิต โดยอารามณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนิสยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหาราปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤดเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤด เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารมณปัจจัยอุปานิสยปัจจัยและบุเรชาตะปัจจัยห้า้สาสสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพญากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพญากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพ um. ญากฤตมีสอย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะ อาหาระและอินทรียะห้า้อยสาสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศนมีสองอย่างคือชหชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิมีสี่อย่างคือชหชาตะปัจชาตะอาหาระและอินทริยะ ปจณจียุทธาระแห่งปัญหาวาระจบ